วันนี้ก็จวนจะถึงวันกล่าวลาศิขาถึงกำหนดที่จะต้องได้ลาสิขาคณะนิสิตนักศึกษาแพทของพวกเราแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันโกนวันมะรืนนี้เป็นวันพระแต่พวกเราที่จะกล่าวลาสิขาอยู่ก็ไม่จําเป็นที่จะปรงผม เป็นเสียแต่ว่าตามอัตยาสายใครจะปมก็ได้แต่ไม่ปมงก็ไม่ไม่ผิดนะเพราะในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ถ้าคนที่ไม่มีผมอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องปมงถ้าผู้ที่ปมงผมในพระวินัยก็ท่านก็บัญญัติว่าอย่าให้ผมยาวกว่าสององครุรีคือสองข้อมือ ถ้าหากว่ายังไม่ถึงเดือนก็ให้ปง่งถ้าหากว่าผมยาวกว่าสองข้อนิ้วมือเนี่ยสามารถที่จะตกแต่งไดไ้เพราะนั้นผมของพระท่านไม่ให้ยาวกว่าอย่างยาวที่สุดคือไม่ให้เกินสองข้อมือข้อนิ้วมือแต่ถ้าหากว่าผมไม่ยาวเล ย, ยผมมันสั้นอยู่ตลอดก็ไม่จ้อง ไ ม, ไม่จำไม่จเป็นจะต้องปงผมตลอดชีวิตแต่ว่าใครผมยาวถ้าไม่ถึงเดือนก็ให้ปง่งอันนี้ก็คือพวิ น, นัยแต่สำหรับพวกเราก็จะลาสิกขาอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องปงผมวันพรุงนี้นะให้เป็นที่รับรู้รับทราบกันอันนี้ก็คือพวิ น, นัยกาไม่พูดไว้ก็จะทำให้ พระใหม่เราไม่สบายใจอันนี้หลวงพ่อได้พูดให้ฟังอันนี้คือพระวินัยของพระสงฆ์ไม่จำเป็นต้องปองเพราะผมของเราก็ไม่ยาวถึงขนาดนั้นการนำประพฤติป ฏ, ปฏิบัติแต่ละสำนักพวกเราคงจะได้คิดเหมือนกันรุ่นก่อนๆพวกเราไปบวชในสถานที่ต่างๆ อาจจะมาพูดกันก็คงจะเป็นแถวแนวคนละอย่างกันจะุดแท้แต่วัดนั้นๆท่านจะพาปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็คือสุดแท้แต่หัวหน้าหรือว่าเป็นสมภารวัดที่จะได้รับการอบรมสั่งสอนแต่ละวัดแต่ทิ้งยังไงแต่ละวัดท่านก็พยายามทำให้คณะสิทธิ์หรือลูกศิษย์ของท่านได้รับความ รู้ความฉลาดมากที่สุดได้รับความได้รับสัมผัสในการเข้ามาบวชจึงมีเวลาน้อยให้ได้รับความรู้ความฉลาดมากที่สุดแต่ละครูบาอาจารย์คงจะมีแนวคความคิดเช่นเดียวกันอย่างผมี่ก็เหมือนกันที่พวกท่านทั้งหลายเข้ามาบวชก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเวลาสาอาทิตย์ที่เข้ามาศึกษา ในพระพุทธศาสนาพราะพวกท่านทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะศึกษาธรรมะนั้นหาโอกาสน้อยมากได้ยากมากโดยมากกับมีแต่การเราเรียนศึกษาวิชาตามที่จะตั้งแต่ตั้งอกตั้งใจเรียนก็คือวิชาแพทย์วิชาหมออันนี้ที่พวกเราเข้ามาอย่างนี้ก็เป็ น, เ ป, นเป็นวิชาปีกย่อย เป็นการเสริมวิชาในทางหมอคือวิชาพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้มีความนึกคิดอย่างไรมีแนวความคิดอย่างไรตั้งแต่บรรพบุรุษของพวกเราก็ได้นับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนานเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นลูกหลานก็ได้สืบถือสืบทอดกันมาแต่ตามไม่จริงในพระพุทธศาสนา ถ้าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลากหลายอย่างที่ผมเคยเรียนนึเคยกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังมาโดยลำดับแต่ที่ครูบาอาจารย์จะยัดเยียดให้แก่พวกเรานั้นคงจะไม่ทั้งหมดสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์แต่ละสำนักแต่ละองค์ เน้นจะเน้นหนักไปในจุดไหนอย่างไรอย่างมาศึกษาในวัดของผมเหมือนกันผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะให้ความรู้ความฉลาดแก่พวกท่านทั้งหลายได้เตรียมเปี่ยมแต่ก็พยายามที่จะหาความรู้หรือยัดเยียดความรู้ที่ได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ทีเคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรก็พยายามชี้แนวแนะให้พวก เราท่านทางหลายได้เรียนรู้ได้รับรู้รับทราบแต่จะให้ครบบริบูรณ์ทุกอย่างนั้นผมก็ไม่รับรองแต่ก็พยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าจะว่าไปแล้วก็เต็มความสามารถของผมที่จะให้แก่พวกท่านทั้งหลายเพราะวิชาความรู้แต่ละอย่างแต่ละแนวทาง มีมากมายแต่ถึงยังไงพ่อแม่เลี้ยงลูกอ่อนเลี้ยงลูกอ่อนก็ต้องพยายามพิจารณาดูว่าลูกของตัวเองนั้นจะอยู่กินอย่างไรจึงจะมีความสุขหรือได้รับความอาหารที่ดีอย่างไรร่างกายจึงจ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้อันนี้พ่อแม่ก็ต้องคิด ที่จะให้ลูกตัวเองได้รับความสุขสบายจเจริญเติบโตขึ้นมาโดยสมบูรณ์อันนี้ครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนสิทธิ์ทุกครั้งก็ต้องได้คิดเหมือนกันบาครั้งนี้เราจะแนะนำอย่างไรให้คณะสิทธิ์ของเราลูกสิทธิ์ของเราได้รับความรู้ความฉลาดในการอบรมแนะนำสั่งสอนในครั้งนี้ แต่บางครั้งที่อบรมเหมาะทางหนึ่งแต่มันก็เสียทางหนึ่งได้ทางหนึ่งมันก็เสียทางหนึ่งจะให้สมบูรณ์แบบทุกคำพูดนั้นคงเป็นไปไม่ได้คงเป็นไปได้ยากเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อสมัยเป็นเด็กก็เหมือนกันจะให้ได้รับรสอาหารอร่อยทุกคำก็คงจะเป็นไปไม่ได้บางคำก็ ถูกใจบ้างบางคำก็ไม่ถูกใจบ้างบางคําก็เผ็ดกุบบังแต่ถึงยังไงก็ฝืนเกินฝืนฝืนกินว่นนนา ง, งั้นเพราะนั่นแหละหลักของพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนาหรือว่าธรรมคาสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่จะแนะนําอบรมสั่งสอนสานุรสิทธิก็ลักษณะนั้นเหมือนกันแต่บางคนเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์ ควรจะทำอย่างนั้นบางทีก็ควรจะทำอย่างนี้ควรจะสั่งสอนอย่างนั้นน่าจะเน้นหนักจุดนี้อันนี้เป็นมามีมาแล้วในครั้งพระพุทธเจา้าระดับผู้ใหญ่ระดับประเทศเข้าไปกราบพระพุทธเจา้าบอกว่าขอพระพุทธองค์พร้อมกับพระสงฆ์แสดงอิทธิปฏิหาร คนทั้งหลายจะได้เคาเรพเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากถ้าหว่าพระพุทธองค์กับพระสงฆ์ท่านที่มีอิทธิฤทธิ์จะได้แสดงอิทธิฤทธิ์พระสงฆ์คนทั้งหลายก็จะได้เคารพนับถือเลื่อมใสพอเห็นอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ที่ท่านแสดงได้พระพุทธองค์บอกว่าอย่าเลยการแสดงอิทธิฤทธินั้น มันเป็นส่วนดีส่วนหนึ่งแต่มันก็เป็นส่วนเสียที่จะตามมาอีกถ้าลองถ้าเรามองในแง่ใดแง่งหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งมันก็เป็นผลดีแต่ในมองในภาพรวมนั้นผลเสียจะมากกว่าเพราะเหตุไรพระสงฆ์ทุกองค์ไม่ใช่ว่าจะแสดงฤทธิ์ได้ทุกองค์ถ้าองค์ใดแสดงฤทธิ์ได้องค์นั้นก็มีอติเลกลาบมากคนทั้งหลายก็นับถือเลื่อมใสเฮโลไปนับถือ พระสงฆ์ท่านองค์นั้นแต่องค์ที่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ท่านก็เป็นผู้มีศีลแต่ท่านก็พยายามที่จะขัดเกลาร์ตัวของท่านพยายามที่จะทําให้ตัวของท่านหมดกิเลสราคะโทสะเหมือนกันแต่ท่านยังไม่มีอิทธิฤทธิ์คนทั้งหลายก็จะไม่เคารพนับถือเลื่อมใสปัจจัยสีของท่านก็จะขาดแขนผลที่สุดองค์ที่มีฤทธิ์ คนทั้งหลายก็จะนับถือแต่องค์นั้นองค์ที่ไม่มีฤทธิ์ก็ไม่มีอันจะกินถ้าจัดเข้าไปในภาพรวมแล้วเป็นผลเสียเสียมากกว่าเพราะนั้นการแสดงอิทธิฤทธิ์ไม่เป็นผลดีในตถาคตไม่ส่งเสริมอิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้อาเทศนอาเทสนะาสนปฏิหารดักใจทายใจได้อนุสาสนีปฏิหารการ เทศนาว่าการอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจในปฏิหารทั้งสมประการนี้เราตถาคตยกย่องอนุสาสนีปฏิหารเป็นอันดับหนึ่งอิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้นั้นพวกฤาษีสีพราผู้ที่ได้กระสินเขาก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้อเทศนาปฏิหารการดักใจทายใจ คนนอกศาสนาเขาก็สามารถที่จะตักใจทายใจได้โดยอิทธิฤทธิ์ของเขาอนุสาสนีปฏิหารคืออ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจในธรรมะหรือคำสั่งสอนให้ฟังด้วยเหตุผลเป็นที่เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเกิดผลประโยชน์อันนี้เรายกย่อง ว่าปฏิหารทั้งสามประการนั้นอนุสาสนีปฏิหารเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ก็คือคนในยุคนั้นเขาก็อยากจะให้พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทำตามที่ใจเขาคิดว่าเกิดประโยชน์แต่พระพุทธเจ้าท่านมองดูแล้วผลเสียมุมหนึ่งแต่ผลได้มุมหนึ่ ง, แ ต, งแต่ถึงยังไงพระพุทธองค์ก็ยังแสดงอิทธิฤทธ ในพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งเมื่อแสดงอิติฤทธิจบแล้วพระพุทธองค์ก็เข้าขึ้นไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์โปรดพระมารดาในพรรษาหนึ่งในสี่สิห้าพรรษานั้นอันนี้ก็คือคนในยุคนั้นเขาก็มีความคิดเหมือนกับคนในยุคเราเหมือนกันเพราะนั้นาการประพฤติธปฏิบัติธรรมเรื่อง อนุสาสนีปฏิหารเมื่อเราได้ยินได้ฟังด้วยเหตุด้วยผลในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในธรรมคาสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจากนั้นเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติตามว่าท่านสอนอย่างไรในเรื่องจิตสงบจะทำยังไงจะจะทำให้จิตสงบให้ได้แต่ถึงยังไงก็ตาม ในแถวแนวขององค์หลวงปูม่มันจะผิดแปลกแตกต่างกว่าสายสายอื่นๆอยู่บ้างอย่างสายอื่นๆบางทีท่านก็เขียนปฏิบัติอย่างนู้นท่านวาดภาพเรื่องตัวอวิชชาอาวิชชาปัจจยาสร้างข้าราสร้างขาราปัจจายาวิญญาณคห้ข้าว่าเป็นแผนผังเป็นแผนที่ขึ้นมา แต่หลวงตามหาบัวท่านมองว่าท่านหัวเราะอกิเลสมันไม่ไปตามแถวตามแนวนี้หรอกอมันไปแหวกแถวแหวกแนวกว่านี้ทั้งเยอะแยะเอเพราะนั้นการเขียนตามแถวตอนนี้ก็คือกิเลสพาเขียนแต่ผู้ปฏิบัติทำจริงๆถ้าเอาจริงๆเอาจริงๆหรือปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้อืเหมือนกับการรบเอไม่ใช่ว่าจะ เดินต่อหน้ากันเหมือนสมัยโบราณแล้วก็ยกดาบฟันกันอย่างนั้นเ่ทุกวันนี้มันการรบมันออกหลายรูปแบบเนี่ยยิ่งกิเลสของพวกเราอยู่ในจิตในใจแล้วไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเอาเลียงหน้ากระดานหนึ่งสองสามอย่างนั้นเออมันออกมาหลายรูปแบบเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติทำเน่ยท่านจึง มีหลายรูปแบบที่จะต้องทำแต่ทั้งยังไงหลายรูปแบบก็จริงอยู่แต่พื้นฐานอันรับแรกก็คือเรื่องสมาธินี่จะมองข้ามไม่ได้เราจะทาจะมองข้ามเรื่องสมาธิมีแต่จะคิดมีแต่ใช้ใช้ปัญญาอย่างเดียวการที่จะไปใช้ปัญญาหรือใช้ความคิดอย่างเดียวนั้นโดยมากไปจะเป็นสัญญากระสังขาร น, นำหน้าเสียมากกว่าเพราะขาด การนิ่งหรือการสงบการพักผ่อนของจิตเหมือนกับเราวิ่งอยู่ตลอดเวลาการวิ่งอยู่ตลอดเราจะมองเห็นให้ชัดเจนในรายละเอียดนั้นคงจะมองได้ยากแต่ถ้าว่าเรานิ่งเราจะมองเห็นได้แต่เมื่อนิ่งจบแล้วเราเห็นชัดแล้วคิดพยายามดูตรวจตราดู ด้วยปัญญานั่นแหละมันจะเกิดปัญญาที่แท้จริงแต่ถ้าหากว่าเรามีแต่คิดว่าสมาธิไม่จำเป็นปัญญาน่ะจำเป็นกว่าอย่างนี้โดยมากจะข้ามขั้นตอนเมื่อข้ามขั้นไปแล้วโดยมากมันจะไม่ได้ผลเพราะนั้นเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอันดับแรกแต่ว่าจำเป็นมากไหม จะต้องใช้สมาธิไปตลอดไหมไม่ถึงขนาดนั้นถึงข่าวที่จะต้องใช้ปัญญาก็ต้องใช้ปัญญาถึงค้อจะที่จะใชส้สติก็ต้องใช้สติใช้สองความสงบเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนอบรมสั่งสอนท่านจะให้ใช้สติปัญญาในช่วงไหนใช้ปัญญาในช่วงไหนใช้สติในช่วงไหนอันนี้ครูบาอาจารย์ ท่านจะแนะนำสั่งสอนอบรมเป็นเบื้องต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ผมได้อบรมเนี่ยได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์เรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสาคัญอันดับแรกเพราะนั้นเวลาเข้าไปท่านจะถอนสอนเรื่องศีลซะก่อนให้การเป็นอยู่อย่างไรทำตัวอย่างไร อยู่ในความสงบอยู่ในความเรียบร้อยอย่าล่วงละเมิดในศีลเป็นสมมาเนนกอน็อยู่ในศีลอยู่ในศีรายจรวัดการไปการมาการเดินเหินไปที่ไหนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนท่านจะสอนเรื่องศีลศีรายจรวัดการเป็นอยู่ซะกอ่อนจากนั้นท่านก็นสอนเรื่องสมาธิพยายามนะเวลาเดินยองกรมขาขวาพุทธขาซ้ายโท เวลาเราเดินบินธบาตเราก็ขาขว า, ขวาพุทขาซ้ายโทพุทโถพุทโถเวลาบินธบาติอย่าไปมองหน้าโยมเขาให้สํารวมแลดูนแต่ในบาทเวลาเดินไปในหมู่บ้านบริกรรมพุทโถพุทโถไปด้วยมาเมื่อออกมาก็ให้มีสติในการเคลื่อนไหวของตัวเองถ้าว่าเราพยายามอยู่อย่างนั้นเมื่อเรา นั่งสมาธิใจของเราก็าจะได้รับความสงบเร็วขึ้นเพราะเราพยายามทําติดต่อสม่ําเสมออยู่ตลอดเมื่อสมาธิดีแล้วจิตใจมั่นคงแล้วจิตใจอยู่กับตัวแล้วจิตใจมั่นคงจากนั้นก็นําจิตใจของเรานี่ไปพิจารณาพิจารณาอะไรสุดแท้แต่ความ ถนัดของตัวเองแต่โดยมากอันดับแรกพระท่านในพิจณากรรมฐานห้าที่พระพุทธเจ้าที่สอนเอาไว้ที่พระอุปัชฌาย์บอกเอาไว้กรรมฐานหาเกสาผมโลมาขนหนาขาเล็บทันตาฟันตะโจนังอันนี้ท่านบอกว่าให้แบบเวลาอย่างเวลาน้อย เ, อเป็นให้กรรมฐานเบื้องต้นไว้ก่อนอันนี้แหะคือกรรมฐานให้เบื้องต้นไว้ก่อน ในต่อไปให้ศึกษาให้ละเอียดมากกว่านี้แต่ขณะนี้ไม่เวละไม่มีเวลาอุปชาไม่มีเวลามากเกลือให้ให้กรรมฐานเบื้องต้นไว้ก่อนแต่ถ้าไม่ให้กรรมฐานเลยไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าบางปวดทุกครั้งต้องให้กรรมฐานกรรมฐานห้านี่ต้องให้ถ้าไม่ให้แปลว่าไม่สมบูรณ์แบบในการบวชเพราะนั้นพระอุปชาท่านยังให้กรรมฐานหา เกษาโลมานขาธันตาตะโจอันนี้คือกรรมฐานเบื้องต้นนี่ถ้าว่าเราจิตของเราเขาสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วเราจะนำมาพิจารณากรรมฐานห้าที่พระอุปัชฌาย์ให้ก็ไม่น่าไม่น่าผิดถูกมา ง, งั้นเอจากนั้นกับเกษาคือผมการเป็นอยู่ของผมเป็นยังไงสันฐานมันเป็นยังไงเกิดจุบนศีษะ แต่าหาว่ามันหล่นใส่อาหารเป็นยังไงเป็นของปฏิกูลทานไม่ได้กินไม่ได้น่าเกลียดแต่ถ้ามันอยู่ในบนหัวอ่ก็ว่าเป็นของสวยงามแต่ตามไม่จริงมันไม่ใช่สวยงามที่แท้จริงแต่มันหลุดออกไปแล้วมันก็เป็นของหน้าขยะขยงเหมือนกันขนก็เหมือนกันเฮเจสาผมโรมาขนหน้าขาเล็บก็เหมือนกันถ้าเราไม่ตัดถ้าเราไม่แค่ เราไม่รักษาสิ่งสโปรกก็อยู่ในนั้นมากเพราะฉะนั้นสิ่งอยู่ในเล็บของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สโปรกแต่ถ้าวันเราคนมาตกแต่งขึ้นมาก็ว่าเป็นของสวยงามแต่ตามไม่จริงเนื้อแท้ของมันแล้วถ้าขาดการดูแลรักษาก็เป็นสิ่งที่โสกปรกทันตาฟันก็เหมือนกันถ้าเราไม่ขาดไม่สีไม่ขัดไม่ล้างไม่ทําความสะอาดไม่แปลงฟัน ฟันของเราก็สกรปรกไม่น่าดูแต่ถาาว่าไปทําให้สะอาดกระตกแต่งฟันขึ้นมาก็หลงในฟันอีกแต่ตามไม่จริงฟันแท้ๆมันก็ไม่ใช่ของสวยงามอีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้ามันจะต้องดุดต้องลนแน่นอนไม่ต้องสงสัยอันนี้ตาอันตาฟันตะโจหนังหนังคุมรอม้รอบๆร่างกายเราอยู่ ทานดูแล้วก็ขัดสีสวีวันวผิวพันธผ่องใสก็ว่าสวยงามแต่ตามไม่ยิ่งผิวหนังนี่ที่มันผุดผาดขึ้นมาก็เพาะอาศัยเลือดถ้าเลือดหมดถ้าเลือดเลือดเหี่ยวแห้งถ้าคนขาดเลือดถ้าคนแก่ผิวนี่ก็เหี่ยวแห้งลงไปแล้วก็ในผิวในร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ย ท่านเปรียบเทียบหนังเหมือนกับระเป๋ากระเป๋าหนังเหมือนกระเป๋าหนังกระเป๋าหนังใบใหญ่ ใ, หญใบหนึ่งแล้วเรายัดมูดและกรีดคือของอสุภะเข้าไปมูดก็คืออะไรคือเยี่ยวกรีดก็คืออุจจละถ้าเรายัดมูดและกรีดเข้าไปในกระเป๋าหนังใบนั้นแล้วก็ไปห้อยหรือแขวนเอาไว้ต่อไปมูดและกรีดมันก็จ้อง น้ำขี้และเยี่ยวนั่นอ่ะมันก็ต้องออกมานอกกระเป๋าหนังในเมื่อออกกระเป๋าหนังแล้วตันี้มันก็ต้องมีกลิ่นอก็ต้องเจ้าของก็ต้องได้เช็ดได้ถูได้ทําความสะอาดอันนี้ท่านกับเปรียบเทียบลักษณะนั้นเหมือนกันร่างกายของคนเราเนี่ยเหมือนกับกระเป๋าหนังใบหนึ่งแต่พวกเราก็ทานอาหารเข้าไปดื่มน้ําเข้าไปผลที่สุด หนังกระเป๋าหนังใบนี้ก็มีเหงื่อซึมออกมาเมือส่งมากก็คือสิ่งที่ส ก, กปรกนะมันซึมออกมาออกมาตามผิวหนังก็มีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นสางผลที่สุดก็ต้องได้อาบน้ํำชาระกายถ้าขาดการอาบน้ํำชาระกายร่างกายอันนี้ก็มีกลิ่นเหม็นเดินไปใกล้ใครก็เหม็นทั้งนั้นแหละงั้นเหรอเพราะมันมันออกตามผิวหนังเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนกระเป๋าหนังใบหนึง่ง ในร่างกายเราอันนี้ก็คือหนังในเมื่อเราถลกหนังออกไปมันก็มีเนื้อแดงเถือกไปหมดอันนี้ท่านให้พิจรารณาให้เห็นตามความเป็นจริงที่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ถ้าจะว่าไปและท่านให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกายของคนเราทุกส่วนเป็นอย่างนี้ในเมื่อเห็นร่างกายของตนเองเป็นอย่างนี้ ความไม่ยึดมั่นถือมั่นความเห็นร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเทนี้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วสิ่งที่มาเกี่ยวข้องร่างกายคืออะไรคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็เข้ามาเกี่ยวข้องเนื้อหนังเอ็นกระดูกเข้ามาเกี่ยวข้อง เต็มไปได้วยของอสุภะยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้มาก็ได้มาเพื่อเนื้อหนังเอ็นกระดูกลาบยศชนเสริญสุขทั้งหลายได้มาก็ได้มาเพื่อเนื้อหนังเอ็นกระดูกอีกสักวันหนึ่งมันก็จะต้องแตกสลายในที่สุดที่สําคัญก็คือใจของเราไปให้ความสําคัญกับเรื่องต่างๆกับสิ่งทั้งนอกมาเปลือก ปนเปื้อนในร่างกายของเราถ้าเราหลงลืมในร่างกายว่าเป็นของตัวเองเป็นของกีรังถาวรเนื่อเมื่อหลงร่างกายแล้วมันจะหลงไปทั้งหมดเรื่องลาบยศสนเสริญสุขยศท้ามรนดาสักเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆมันก็จะหลงแต่ถ้าว่าเราไม่หลงกายเราก็จะไม่หลงสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเพียงแต่สักว่าในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราจะต้องทําให้ดีที่สุด จะให้เสียงเหล่านั้นเข้ามาเหยียบย่าทําลายหัวใจเราแต่ทางว่าเราไม่ได้คิดถึงความตายหรือไ ม, ม่ได้เห็นร่างกายสังขารของเราว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าร่างกายของเราเราไม่เห็นรูปร่างกายของเราเห็นตามความเป็นจริงอย่างที่ได้พูดเบื้องต้นนั้นมันจะล่มหลงนะมันจะล่มหลงทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องนั่นแหละ ทีนี้เมื่อมันลุ่มหลงแล้วการกระทําอะไรออกไปบางทีก็ทําแบบคิดว่าตัวเองจะไม่ตายโลภก็โลภจนจนจนหน้าเกลียดโกรธก็โกรธจนหน่าเกลียดหลงอะไรก็หลงจนหน่าเกลียดอแต่ว่าตัวเองไม่รู้อคนประเภทเดียวกันก็ไม่รู้แต่นักปารารถนาบัณฑิตทั้งหลายมองเห็นแล้วน่าเกลียดการกระทําอย่างนั้น เหมือนกับตัวเองจะไม่ตายดักชนะอย่างนั้นแต่ถึงยังไงการพูดทางนี้ทางนั้นก็ไม่ใช่ไม่ให้ลืมตัวในเมื่อตัวเองจะตายแล้วก็ทําไม่มีความกระตือรือร้นอยู่อย่างแบบชังกระตายอย่างนั้นก็ไม่ถูกในเราในเมื่อเราอยู่ในสถานะไหนเราก็ควรทําอยู่ในสถานะนั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้รำหมดจดจากกิเลส ไม่มีราคาะโทูะโมหะแล้วทั้งที่ท่านจะปล่อยวางไม่ท่านก็ต้องทําหน้าที่ของพระองค์แนะนําสั่งสอนพระสงฆ์พี่น้องประชาชน ญ, ญาติโยมในสมัยนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ที่ท่านได้รู้ได้เห็นพระสงฆ์อุปถัมบริษัทเหล่านั้นก็ได้ปฏิบัติตามคือพระพุทธเจ้าทําดีที่สุดในเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อได้รับพระธรรมคาสั่งสอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรเบริลูกมรรคผลก็ทำดีที่สุดในหน้าที่ของท่านที่จะแนะนำสั่งสอนคู่คนแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะทำดีขนาดไหนก็ตามท่านรู้แก่ตัวของท่านเองท่านไม่หลงเท่านรู้แต่ท่านไม่หลงท่านรู้แล้วท่านไม่หลงแล้วมีแต่พยายามที่จะทาให้ดีให้เหมาะให้สม อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราก็เหมือนกันตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาท่านถึงเมื่อท่านได้รู้รู้แล้วใจของท่านยิ่งมีเมตตามีเมตตามีความกรุณาโมติตาเต็มพร้อมบริบูรณ์ในจิตของท่านผู้รุดพ้นแล้วคือทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนี่พวกเราก็อย่างนั้นเหมือนกันคือทำ ดีที่สุดแต่ไม่เหติไม่ให้ลุ่มลงในสิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่าเราทําได้อย่างนี้นั่นแหละถูกตามทำคำสัำ่งสอนของพระพุทธศาสนาถูกตามคำทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ตามไม่จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นโรคของเราร่างกายของเราทุกส่วนเนี่ยเรานั่งอยู่ในที่นี่อีกสักวันหนึ่ง จะต้องแก่จะต้องตายจะต้องสลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ว่าโลกทั้งหลายไม่ได้คิดในสิ่งเหล่านี้บางทีโลกโกรธหลงดูดูแล้วน่าเกลียดสำหรับผู้ท่านได้บรรลุธรรมหรือวเห็นธรรมอันละเอียดเพราะนั้น พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็นเป็นการกล่าวธรรมะขั้นสูงขั้นที่จะหลุดพ้นที่จะถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจเป็นธรรมะขั้นนี้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับระดับต้นระดับกลางระดับสูงนะระดับต้นก็คือเอาเมื่อเราเป็นฆราวาสก็อยู่ให้อยู่ในคราัาสธรรมให้มีสีธรรม ให้ถูกต้องตามคาววะให้มีศีลห้าให้มีศีลุบโบสถให้มีการภาวนาให้มีการพิจารณาให้ดูจิตใจของตนเองสำหรับเป็นพระก็ให้มีศีล227พยายามทำตัวให้เป็นพระที่สมบูรณ์จากนั้นก็ให้ปฏิบัติทำเพื่อขัดเกลา พิจารณาอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะพราะเป็นฝ่ายพระเนีาเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายหน้าฝ่ายอุปกวาโสกุบาสิกานั้นเป็นฝ่ายหลังถ้าจะเปรียบเหมือนช้างพระสง์เหมือนช้างเท้าหน้าอุบาสกุบาสิกาเหมือนช้างเท้าหลังแต่อาศัยกันอยู่สร้างสี่สีเท้าเนี่ยสร้างสีขาเนี่ยท า, าว่า ขาหน้าไม่ก้าวเอ่อขาหลังก็ก้าวไม่ได้ถ้าขาหลังก้าวขาหน้าไม่ก้าวก็ไปไม่ได้เพราะนั้นพุทธศาสนาก็ลักษณะอย่างนั้นน่ะอาศัยซึ่งกันและกันเฝ่ายอุบาสิก า, ก, าก็เป็นผู้สนับสนุนฝ่ายพระสองฆ์องค์เจ้าเนกะ็อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินยัยพยายามขัดเกลาี่ทํำยังไงจึงจะหลุดพ้นกิเลสราคะโทสะโมหะศรัทธาญาติโยมผู้ใดทําบุญกับ ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้บุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหนวดเต็มเปรียบว่างั้นแหละเนี่ยทำบุญกับเนื้อนาบุญที่ดีพระสงฆ์ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทสีเนี่ยเกือ้อกูลหนุนกันเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่ได้บวชมาที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ก็ให้ ตั้งอกตั้งใจสำเหนียกสำเล็กเมื่อเราลาสิขาไปแล้วก็พยายามนำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะจะทำยังไงจิตใจของเราจะได้รับความสงบเมื่อเป็นกระวาดแล้วเมื่อมีโอกาสเราก็พยายามนั่งให้ใจของเราได้รับความสงบถ้าจิตใจของเราสงบ พอทรงพรวะสงบเป็นหนึ่งแล้วนั่นหละต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าแกชราเราก็จะไม่ว้าเวไม่อ้างว้างไม่เหียบเหงาเพราะนั้นการกระทาการเป็นอยู่ของพวกเราเราจะสะแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวก็เป็นมันก็ไม่ถูกต้องทีเดียวแต่เป็นก็ไม่ก็ถูกถ้าไม่หาทรัพย์เสียเลยก็ไม่ได้ แต่เสาะแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวอันนี้ล่ะคือทางถูกต้องที่สุดก็ไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นการสาะแสวงหาทรัพย์มันก็จำเป็นหาปัจจัยสี่เพราะเป็นเครื่องเลี้ยงชีพการที่จะอยู่ได้พอก็ต้องจะต้องหาปัจจัยสี่เครื่องเป็นเครื่องเลี้ยงชีพแต่ถ้าว่าเราหาแต่ปัจจัยสี่อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้หา สดแสวงหาความสุขอย่างอื่นทางด้านจิตใจเสเลยก็ไม่ถูกเหมือนกับสัตว์ที่ไรฉันเขาโสบแสวงหาปัจใจสีของเขาตื่นขึ้นมาก็หาอยู่หากินพกงกเงันเ ง, งิพวกไก่พวกหมาพวกช้างพวกวะม้าบัวควายพวกช้างก็มาบัวควายกันออกไปกลางทุ่งไปหากัดหญ้าไปกินฟางที่แห้งหากินตามอัตภาพเพื่อยังชีพให้เปลี่ยนไปอันนี้พรบ มนุษย์ของเราก็เหมือนกันการส่งแสวงหาทรัพย์มีหลายๆอย่างบางคนก็ทำไร่ทำนาทำมาค้าขายเป็นวิศวะเป็นหมอก็สุดแท้แต่อาชีพของแต่ละคนแต่สรุปแล้วก็คือหาเงินหาปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงชีพของตนเองเพื่อเลี้ยงครอบครัวของตัวเองเพื่อการดำรงชีพของตัวเองอันนี้คือการส่แสวงหาปัจจัยสี่ แต่ถ้าว่าเรามีทัศน์เสวงปัจจัย4อย่างเดียวอย่างไม่ถูกต้องการดูแลสุขภาพกายอย่างพวกเราเป็นนักเรียนหมอนักเรียนแพทย์อย่างเนี้ยการดูแลสุขภาพกายของมนุษย์ที่เข้ามาคือลดเข้าอู่นะี้การดูแลสุขภาพกายก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญไม่ใช่ว่าป่วยซะก่อนจึงจะมารักษาการดูแลไม่ใช่อยเป็นอย่างนั้น การดูแลสุขภาพกายการออกกำลังกายการตรวจตราสุขภาพก็มีความจำเป็นอันนี้ก็คือความสุขอย่างหนึ่งแต่ถ้าว่าเรามีแต่โสเสแวงหาทรัพย์ร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมภพกเป็นอมภาพาดเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราเงินที่เราโสเสแวงหามา ้อยล้านพันล้านมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าร่างกายของเราหมดสภาพแล้วทางว่าร่างกายของเราแข็งแรงออกกำลังกายโดยสม่าเสมอร่างกายของเราแข็งแรงเงินทรัพย์สมบัติที่เราเสาะแสวงหามาได้ก็เกิดประโยชน์อันนี้ก็คือส่วนหนึ่ ง, งการดูแลสุขภาพกายก็เป็นสิ่งจาเป็นสำคัญนะที่จะให้เราได้รับความล่มเย็นเป็นสุข การดูแลสุขภาพจิตอันนี้ถ้าจะว่าไปสำคัญกว่าการสบแสงหาทรัพย์การดูแลสุขภาพกายการดูแลสุขภาพจิตเนี่ยคือหลักของพุทธศาสนาที่สอนพวกเราท่านทั้งหลายอบรมทางด้านจิตใจเนี่ยนะอันนี้แหละคือการดูแลสุขภาพจิตถ้าสุขภาพจิตแย่เอ๊ เออล้เหยอลอยลมไปเรื่อยจนเป็นโรคประสาทเออจนไม่รู้จักยับยั้งตัวเองใครเขาว่าคิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยจนเสียกำลังสุขภาพจิตจนได้เข้าโรงพยาบาลศรีธัญญามหาโพธิ์สมเด็จที่หลวงเป็นโรคประสาทแปลว่าทุกอย่างที่เราสฉบเสแวกทิ้งหมดไม่เกิดประโยชน์ เพราะสุขภาพจิตมันย่าแย่เพราะนั้นเรื่องสุขภาพจิตนี้จะทํำยังไงถึงจะรักษาสุขภาพจิตให้สมบูรณ์ได้นี่แหละต้องศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าที่ท่านอบรมสั่งสอนทั้งหมดเนี่ยมโนภูพังเขามาธรมามโนเศรษฐามโนมายานเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจจะเข้าจุดนี้เพราะนั้นการดูแลสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอันดับ หนึ่งทีเดียวแต่โดยมากพวกเราท่านทั้งหลายถามๆดูเถอะเรื่องการดูแลสุขภาพจิตนี้รู้สึกว่าเกือบจะไม่ได้ความสนใจเอาเสียเลยมีแต่การส่แสวงหาทรัพย์มากกว่านั้นก็คือการดูแลสุขภาพกายการตรวจตราร่างกายของตัวเองแต่การที่จะดูแลสุขภาพจิตนั้นไม่รู้จักวิธีจะได้ซ้ําไปเพราะนั้นเรื่องการดูแลสุข สุขภาพจิตเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งอย่างทางหนึ่งที่จะให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขการดูแลสุขภาพจิตเนี่ยมันสืบเนื่องไปยาวนานทีเดียวแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพจิตในเมื่อเท่าแกชา่ชราเราจะต้องเข้าเท่าแก่ชราแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเราจะมีวัยอันสดชื่น ด, ดสดใสอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นไปไม่ได้อีกสักวันหนึ่ง เราเขาจะต้องเข้าสู่วัยชราในเมื่อเข้าสู่วัยชราเมื่อในเมื่อเราไม่ได้ดูแลหรือว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพจิตในเมื่อนั้นแหละใจของเราจะว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาจะเพึ่องไขจะเพึ่งลูกเพึ่งเต้าพึ่งงล้านเพึ่งเหรนเขาก็มีหน้าที่การงานของเขาตัวเองก็ไม่มีสิ่งที่จะเพึ่งก็คิดถึงเขาอยู่ทั้งวันผลที่สุดนั่นแหละที่บ่า โรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้ากรเพราะการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองแต่ถ้าหากว่าผู้ใดรักษาสุขภาพจิตพิธีรู้จักวิธีการรักษาสุขภาพจิตคือวิธีการภาวนาถึงจุดนั้นล่ะมันจะวิ่งเข้าหาธรรมจิตใจก็จะเข้าเพึ่งตัวเองอย่างครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเนี่ยเห็นไหมท่านเข้มแข็งอย่างมากอายุถึง8090ท่านยังพูดธรรมะได้ชัดเจนออกมาถึงจะ ร่างกายของท่านจะเป็นยังไงแต่ว่าใจของท่านเนี่ยยังเข้มแข็งอย่างพ้นั้นการดูแลสุขภาพจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งทางหนึ่งอยคนนัขอฝากไว้กับพวกพระลูกพาลานที่เป็นที่จะเป็นหมอรักษาสุขภาพกายแล้วก็ควรจะแนะนำเรื่องสุขภาพจิตให้แก่คนป่วยด้วยหลวงพอว่อคงไม่เลวทีเดียวทาง่าพวกเรา แนะนําสั่งสอนสุขภาพจิตของคนป่วยให้รู้จักวิธีการปล่อยวางให้รู้จักวิธีการทำสมาธิให้รู้จักว่าร่างกายของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่มัน่นไม่คงนะอีกสักวันหนึ่งไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายหรอกรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างหลวงพ่อว่างจะเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ชาวโลกอย่างมากๆถ้าใช้ธรรมะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอามาใช้ผสมผสานกันการดูแลสุขภาพกายการดูแลสุขภาพจิตการส่แสวงหาทรัพย์เพื่ อ, อยังชีพให้แก่มนุษย์ชาติแต่ถ้าว่ามีแต่การส่องแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวเป็นยังไงการดูแลสุขภาพกายขาดการดูแลสุขภาพกายเป็นยังไง การดูขาดการดูแลสุขภาพจิตเป็นยังไงถ้าสมบูรณ์ทั้งสามอย่างแล้วเป็นยังไงหลวงพ่อว่าคงจะมีความสุขความพรมเย็นเป็นสุขจนหายใจเหือกสุดท้ายนั่นแหละเลยจิตใจจะไม่ว้าวไม่อ้างว้างเงียบเหงาในเมื่อเหือกสุดท้ายตายไปแล้วก็นั่นแหละบุญกุศลที่ได้สั่งสมไว้ก็ติดตาม ดวงวิญญาณนั้นไปเกิดปฏิสนธิในภพภูมิต่อไปนะไม่ใช่ศูนย์นะตายแล้วไม่ศูนย์นำมาทำให้มองไม่เห็นตายแล้วเกิดอีกแน่นอนอะไรพามาเกิดในหลักของพุทธศาสนาคนที่มาเกิดการละละที่เกิดมาจากท้องแม่เมื่อได้สมส่วนเชื้อของพ่อแม่ผสมกัน อันดับแรกจะมีหยดหนึ่งหยดหนึ่งในท้องแม่เหมือนกับน้ามันงาน้างานจุดนั้นจะใสพอต่อมาน้ำหยดนั้นจะมีสีขุน่นจะไปทางสีแดงจะเป็นก้อนเลือดต่อมาเป็นก้อนเลือดต่อมาใหญ่ขึ้นมาเป็นปัญจะสาขา คือาขาสองแขนสองสีรษะหนึ่งต่อมาก็โตขึ้นเรื่อยๆพอต่อมาก็ถุกกระดิกได้นั่นแหะวิญญาณเข้าไปเลยวิญญาณเนี่ยที่ล อ, ลอยอยู่คือวิญญาณของเราเนี่ยเข้าไปยึดไปยึดในธาตุสีนั้นบัดในเมื่อเข้าไปยึดแล้วต่อไปก็ยึดว่าเป็นร่างของตัวเองต่อมาก็คลอดออกมาวิญญาณเขาเข้ามายึดคลองในร่างกายนั้นต่อไป เมื่อคนตายวิญญาณที่เข้าไปยึดของก็นี้ออกจากร่างตัว น, นั้นออกไปก็ไปเกาะไปปฏิสนธิใหม่อีกในภพภูมิต่างๆถ้าว่าเรามีบุญมีกุศลก็สามารถที่จะไปปฏิสนธิในสิ่งที่ดีขึ้นแต่ถ้าคนในทํากรรมกรรมชั่วทําบาปอากุศลและกามมากๆก็ไปเกิดเป็นหมูเป็นหม้าเป็นกาเป็นไก่ลงต่ําไปเรื่อย วันนั้นหลักของพุทธศาสนาถึงสอนให้ให้คนทำความดีให้ทำบุญกุศลไว้เพราะว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่เกิดก็คือวิญญาณคือใจนั่นแหละจะพาไปเกิดแต่เป็นนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเพราะนั้นพวกเราทุกทกท่านนะอยากจะเห็นอยากจะรู้ว่าที่พระพุทธเจ้าที่สั้นสอนว่านามธรรม ที่มองมาเห็นด้วยตาเนื้อนั้นจะพิสูจน์ด้วยได้อย่างไรที่ยัว่าไปเกิดในภพภูมิต่างๆนั้นเราจะพิสูจน์ได้ทั่วยอย่างไรหลักของหลักพิสูจน์ของพระพุทธเจ้าคือทำสมาธินะทำสมาธิทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อทําจิตเป็นหนึ่งและจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิเราจะรู้ได้ด้วยตนเองร่างกายเป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งร่างกายกับใจเป็นคนละอานกัน ที่จะไปเกิดภพภูมิต่างๆนะั้นคือใจเห็นได้ชัดด้วยตนเองเนี่ยพอหนนเรื่องที่สูจน์ในหลักของพุทธศาสนาเบื้องต้นนั้นคือทําจิตให้เป็นหนึ่งทําจิตให้เป็นสมาธิจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อไหร่เมื่อรันความสงสัยในเบื้องต้นที่ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์เราจะหมดความสงสัยไปได้ในระดับหนึ่งนะแต่จากนั้นเราก็พยายามศึกษาไปเรื่อยๆ ยิ่งไม่สงสัยไปเรื่อยๆ ย, ยิ่งรู้แจ้งเห็นจริงไปเรื่อยๆเรยพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราให้เชื่อทีเดียวไม่ใช่นะบอกให้เชื่อทีเดียวไม่ใช่เพราะนั้นที่จะสิ่งที่จะเชื่อแล้วไม่เชื่อเนะอยู่กับตัวของเรานะถ้าว่าเราพิสูจน์ตรงพิสูจน์ก็มีอยู่แล้วหลักพิสูจน์ทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งจะทําจิตให้สงบนั้นทํำยังไง กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้จริงจังให้มีสติอยู่กับตัวเองพยายามใส่ใจเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบปเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละจะรู้ได้ด้วยตนเองนะคไม่ต้องถามใครเพราะงั้นนั่นแ่ะเพราะนั้นพวกเราอยากจะเถียงครูบาอาจารย์อยากจะเถียงพระพุทธเจ้าอยากจะเถียงหลวงพ่อนะที่พูดอยู่เนี่ยก็พยายามทําจิตให้สงบซะก่อนถ้ายังทําจิตไม่สงบยังไม่ได้เอ๊ะ ให้เชื่อก็ยังไม่เชื่อให้ปฏิเสธก็ยังไม่ให้ปฏิเสธต้องฟังไว้ก่อนต้องฟังเอาไว้แต่ว่าจิตสงบนี่มีแน่ถ้าว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติสมาธิจิตสงบนี่ไม่ต้องสงสัยเป็นได้แ น, แน่แต่ว่าจะความเชื่อต่อไปทางต่อไปภายภาคหน้าอย่างอื่นนั้นเพราะเรายังไม่เจอยังไม่พบอย่าเพิ่งปฏิเสธ ในสิ่งที่ตัวเองยังทําไม่ได้ยังไม่รู้ยังไปไม่ถึงเนี่ยถ้าเขาว่าปิดหูปิดตาตัวเองเนีเขาเขากระจัดฟอกแบบเภทงโง่ทั้งนั้นแหละเออประเภทงโง่สิ่งไหนใครมาพูดให้ฟังปฏิเสธไปหมดเนี่ยเหมือนกระตาบอดท่านเขาว่าน้ําตรงนั้นมีนะไม่มีเหยียบมันเลยพอมันเหยียบน้ําทะลุฝ่าเท้าท่านเจึงจะรู้ว่าโอ้ยมีน้ําะใครจะช่วยได้ เพราะนั้นสิ่งใดก็ตามในเมื่อเราไม่รู้อย่างวิทยาศาสตร์อย่างนี้มีมากมายที่ยังยังค้นไม่พบยังค้นที่ค้นพบขึ้นมาก็มีแต่ค้นไม่พบก็มีเยอะแยะเพราะนั้นสิ่งที่ยังค้นไม่พบเราจะปฏิเสธว่าไม่มีไม่เห็นไม่เป็นไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้เราต้องฟังเอาไว้ก่อนอันนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน ที่พระพุทธเจ้าท่านอุบรมแนะนำสั่งสอนมาในพระธรรมคําสั่งสอนเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์พระเสี้ยละท่านอยู่ในป่าดงพงไพ่ท่านต้องการอะไรท่านหวังอะไรเพื่ออะไรนี่แหละเออที่ท่านรู้ท่านเห็นสิ่งเหล่านี้แหละที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติเี่ยท่านรู้ในระดับเออ ท่านจริงอยู่ปลาดงพงไพได้นะเสียงอะไรหมาเห่าอะไรวะเอ้าวันนี้หลวงพอ่อขอพูดจบเพียงตอนนี้ตอนนี้ไปฟังเทศหลวงตานะทีนี้นะเอาสักกันหนึ่งเอาสักเข้มคนสักหน่อยประจวนจะถึงขราวถึงวันลาจิขาแล้วเนี่ยนะ